เมื่อวานได้อ่านนิตยสามเล่มหนึ่งชื่อว่าชีวิตดีสุขภาพดีเขาขึ้นปกรูปอดีประธานาธิบดีบิลุคินตันนพวกเราคงรู้จักนะแล้วก็พาดข้อความว่าบิลุคินตันใช้วิถีพุทธดูแลสุขภาพมันก็เลย ลองเปิดอ่านดูว่ามันเป็นยังไงคือคินตันเนี่ยเขาเป็นโรคหัวใจผ่าตัดหัวใจมาแล้วสองครั้งนะครั้งแรกก็เมื่อแปดปีที่แล้วครั้งที่สองก็เมื่อปีที่แล้วครั้งล่าสุดเนี่ยเกือบตายนะเขาก็เลยเต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงเรื่องการดําเนินชีวิตโดยเพราะเรื่องการกิน เพราะว่าเดิมนี่เขาเป็นคนที่ชอบกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์มากไขมันนะผักนี่แท้ไม่แตะเลยฝรั่งนี่ก็กินเนื้อหนักอยู่แล้วนะเนื้อสัตว์ทุกประเภทแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กนะเขาก็รู้ว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นเพราะเป็นผลทำให้เข า, าเป็นโรคปัวใจ ต้องทำบายพาสเขาก็เลยเปลี่ยนมากินไม่ใช่กินผักเยอะๆอย่างเดียวนะเขาเลิกเนื้อสัตว์ไปเลยตอนนี้เขากินมังสวิรัติแล้วก็หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ของสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งไข่และนมด้วยแล้วเขารู้สว่าสุขภาพก็ดีขึ้นนะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำแค่นั้นก็หันมาทำาฝึก โยคะแล้วก็มาทำสมาธิสมาธินี่เขาก็ในเรื่องการเจริญสตินะแบบพุทธนะก็ก็ทำจริงจังนะนิมนพระมามาสอนการทำสมาธิด้วยอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้หนางสบินฝรั่งนะเขาพาดหัวข่าวว่าบิลคินตันนี่หันมาใช้วิถีพุทธดูแล สุขภาพพอเขารู้ว่าเรื่องการกินอาหารอย่างเดียวมันไม่พอโรคหัวใจก็เกี่ยวข้องกับความความดันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาใจให้ผ่อนคลายจึงเป็นเรื่องสำคัญอนอกจากจะออกกำลังกายเป็นกิจวัตรแล้วนี่ก็มาออกกำลังจิต ด, ด้วย แต่ออกกำลังจิตนี่มันไม่ต้องใช้พลังมากนะมันกลับทำให้จิตมีพลังเพราะว่าจิตพักจากการงานเพราะว่ามีสติเป็นเครื่องรักษาใจแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิเดี๋ยวนี้ฝรั่งที่มหานมาสนใจการบริโภคแบบนี้ก็เยอะนะมังสวิรัต เมื่อปีที่แล้วก็มีข่าวนะไม้ไทสันนะพวกเรารู้จักใช่ไหมไม้ไทสันนักนักชกเฮฟวีเวทเลยนะเป็นแชมป์ก็หันมากินมังสวิรัตนะกินแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะจะเรียกว่ากระเดียวไปทางเจเลยก็ได้เพราะว่านมไข่ก็ไม่กินพวนี้ก็เหตุผลเดียวกันก็คือว่าโรคภัยไข้เจ็บมันคุกคามไม้ไทสันนี่นอกจาก ชอบกินเนื้อสัตว์แล้วนี่เนื้อคนก็เคยกินนะกัดหูคนกัดหูคู่ต่อสู้ก็จําได้ไหมโชกไปชกมาโมโหวไว้กัดมันซะเลยหูแหว่งไปเลยนี่เรียกว่าเนื้อคนก็เอาด้วยนะตอนหลังกลับมาสํานึกนะเลิกหมดแล้วเนี่ยหันมากินมังสวิรัตนี่ก็แปลกนะเพราะฝรั่งเนี่ยเขาาหลายคนก็มีความเชื่อว่ากินพวกนี้แล้วนี่ร่างกายจะไม่ค่อยมีเลือดมีแรงนะคนไทยแล้วก็คิดแบบนี้เยอะ แต่ว่าอย่างไม้ไทยสารนี่เข า, าเขาคิดอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในในในโลกตะวันตกที่คนหันมากินมังสวิรัตมากขึ้นแล้วก็หันมาสนใจเรื่องการาฝึกสมาธิการฝึกจิตนะเรื่องการบริโภคนี่สำคัญมากนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราบริโภคกันเยอะมากนะ ไม่ใช่แค่บริโภคอาหารประเภทเนื้อนมไข่อย่างเดียวแต่เรายังบริโภคอย่างอื่นด้วยเช่นบริโภคข่าวสารข้อมูลแล้วก็ความบันเทิงซึ่งเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นการเสพติดมากขึ้นโดยเพราะในยุค ป, ปัจจุบันที่มันมีพวกเทคโนโลยีสารสนเทศไอเยอะนะแต่ก่อนเราก็ฟังบริโภคเพลงบริโภคหนังนะแต่นั่นยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ไอ้ที่นักกว่นั้นคือว่าการบริโภคข้อมูลแล้วก็สารต่างๆทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนนี่ตอนนี้มันมีโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นที่แพทย์ยอมรับกันคือโรคเสพติดอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนไม่ยอมรับนะแต่ทีนี้ยอมรับแล้วอย่างในเกาหลีนี่ประมาณประมาณเรียกว่าเป็น10บล้านคนเลยนะที่เสพติด อินเทอร์เน็ตประเทศอื่นก็เหมือนกันอย่างที่อเมริกาเนี่ยเขาเคยสอบถา ม, มเมื่อเร็วๆนี้ประมาณสิบเปอร์ซ็นเป็นพวกติดอินเทอร์เน็ตอย่างแรงอินเทอร์เน็ตในที่นี้ก็หมายถึงทั้งเกมก็ดีแล้วก็พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น f a c e b o o นะอันนี้ก็ติดกันมากแล้วก็เก้าสิ้าสบกว่าเอสี่อซนบอกว่า ติดแบบไม่ถึงกับเต็มที่นะแต่ว่าขาดไม่ไดนะ้คือว่าต้องหันมาหันมาดูโทรศัพท์มือถือเป็นประจำนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ใช้เสพใช้บริโภคที่สำคัญมากในเกาหลีนี่มีคนตายเพราะว่ า, เ, าเล่นเกมอย่างต่อเนื่องนะ ตายเป็นสิบคนแล้วที่ตายเพราะว่าไอ้เส้นเลือดมันอุดตันเนื่องจากนั่งนานเกินไปเพราะพวกนี้นี่นั่งนี่ไม่ใช่นั่งแค่สิบชั่วโมงนะนั่งนานกว่า น, นั้นบางทีสองวันสองคืนก็มีอย่างเมื่อสัก 2, สองสปีก่อนก็มีชาวเกาหลีตายเพราะว่าติดเล่นเกมออนไลน์เรียกว่า48ดชั่วโมงไม่ได้หยุดเลย ไม่ได้นอนด้วยอาหารนี่ก็สั่งเขานะสั่งเขามามามบริการแบบ Delivery อ, <า>อ่ะนะคือไม่ขยับเลยนอกจากเข้าห้องน้ำบอกว่าช็อกตายเมืองไทยก็มีนะเมื่อสักปีที่แล้วนี่ก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาไปไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติที่หัวหินสามีนี่ก็ติดอินเทอร์เน็ตนะไอ้ติด a ฟ e b o o k ก็ ตลอดเวลาที่เดินทางทางรถไฟก็เล่น Facebook พอไปถึงก็เล่น Facebook เมียบอกว่าถึงเวลานอนแล้วก็ไม่ยอมนอนก็เล่นกันจนเช้านะผู้คนไม่ค่อยสนใจสูงสิงด้วยพอขึ้นรถไฟผัวก็ขอเข้าห้องน้ำขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพนะเราก็ว่าไม่ออกมาเป็นชั่วโมงเลย หายไปเป็นชั่วโมงไม่ออกมาก็เมียก็เลยไปตามบอกว่าผัวนี่ช็อกไปแล้วอยู่ที่ห้องน้ําก็สันนิษฐานว่าคงเล่นเฟซบุ๊กหนักนะร่างกายมันก็เลยไม่ได้พักผ่อนนี่ก็เป็นการบริโภคอย่างหนึ่งนะแล้วมันเป็นการบริโภคที่ให้ผลรุนแรงมากโรคหัวใจนี่นะกว่าจะกว่าจะเป็นนี่มันสะสมนานนะเป็นสิบปียี่สิปีโรคเบาหว า, กห น, ก น, านก็เหมือนกันมะเร็งก็เหมือนกันไอ้พวกนี้ก็เกี่ยวข้องการบริโภค กว่าจะตายนี่ก็ยี่สิบสามสิบปีนะแต่ว่าไอเศพข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตนี่มันทำให้ตายเร็วทีเดียวนะไม่ต้องรอไม่ต้องรอเป็นสิบปีนะแค่ไม่กี่ปีก็ตายแล้วหรือว่าแค่ไม่กี่อาทิตย์นี้ก็ตายแล้วเพราะมันทำให้ช็อกตา ย, ยางั้นการในยุคนี้นี่เรื่องการบริโภคเป็นเรื่องสาคัญมากไม่ว่าจะเป็นการบริโภคทางปาก คืออาหารหรือการบริโภคทางตานะเรื่องเพลงเรื่องหนังนี่กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปแล้วหรือแม้แต่การบริโภคเหล้านี่ก็ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะแต่เหล้านี่กว่าจะตายก็หลายปีใช่ไหมแต่การบริโภคข้อมูลจนติดอินเทอร์เนต็ตนี่อันนี้ทําให้ตายเร็วมากนั่นสายนี้ต้องมีสติมากทีเดียวนะสติสําคัญมากเพราะว่าสิ่ง ยั่วยวนยั่วยุสิ่งกระตุ้นเล่านี่มันมีเยอะแล้วก็มันมันมีสเนสน่ห์ใช่ด้วยนะอาหารก็ทำได้อร่อยขึ้นเตะตามากขึ้นข้อมูลข่าวสารก็ดึงดูดใจมากขึ้นแต่ว่าข้อมูลข่าวสารก็ไม่หนักเท่ากับพวกพวกเกมนะเกมออนไลน์ที่ตายกันในประเทศเกาหลีนี่ส่วนใหญ่ก็คือเพราะติดเกมนะ พวกเรา ถ, ถึงแม้บางคนอาจจะไม่เป็นแต่ว่าก็อาจจะกลุ้มใจเพราะว่าลูกหลานกําลังเป็นนะติดอาการเหล่านั้นตัวก็อ้วนเพราะกินเยอะสมองก็กลวงนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเครียดเพราะว่าการเสพเกมต่างๆโนะดยเฉพาะเกมออนไลน์ สมัย น, นี้ถ้าไม่มีสติเนี่ยนะการที่จะพัดหลงเข้าไปในสิ่งเสพบริโภคเหล่านั้นจนกลายเป็นเสพติดก็ง่ายเข้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ถ้าไม่เจอถ้าไม่ใกล้าตายก็ไม่เลิกนะไม่ใกล้าตายก็ไม่เลิกนะอย่างเบลคินตันเนี่ยถ้าไม่เจอผ่าตัดสองครั้งนี้ก็คงยังกินอาหารประเภทแดกด่วนฟาสต์ฟู้ดต่อไปนะ หรือว่าหลายคนที่อประเภทติดเหล้าถ้าหากว่าไม่เจอเหตุการณ์ที่ทําให้เกือบตายนี้ก็คงไม่เลิกอย่างที่บานตัดลินทองก็มีคนหนึ่งติดเหล้ามากนะเลิกไม่ลู้กี่ครั้งแล้วคงคล้ายๆกับหลายคนบางคนที่บอกว่าเลิกเนี่ยเลิกง่าย บุหรี่เลิกง่ายบุหรี่เหล้าก็เลิกง่ายเพราะผมเลิกมาหลายครั้งแล้วไม่เห็นยากเลยนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ยอมเลิกขาดลกทีจกนกระทั่งมีเจ้าที่ป่าไม้คนหนึ่งตายนะอายุก็ยังไม่มากนะไม่ถึงห้าสิบตายเจ้าที่ป่าไม้ที่ก็เป็นเพื่อนกันมีสำนัก ง, งานอยู่ที่หน้าวัดป่ามหาวันพูหลง กินเหล้าหนักตายคาที่ตายที่โรงแรมไปไม่ถึงบ้านพอเห็นคนใกล้ตัวตายนี่ก็ก็เริ่มกลัวตายขึ้นมามาแล้วก็เลยตอนนี้เลิกได้นานทีเดียวนะก็ยังไม่รู้ว่าจะหวนกลับไปเมื่อไหร่ไอ้ของแบบนี้ถ้าเป็นแล้วเลิกยากนะจนกว่าความตายจะมาจะมาคุกขามมาใกล้ตัวนั้นการที่เรารู้จัก จำกัดปริมาณการเสพการบริโภคเนี่ยสำคัญนะเพราะถ้าเราไม่รู้จักจํากัดแล้วเนี่ยมันก็จะกินเวลาเราหรือทำให้เราเพลินมากขึ้นโดยเพราะวัยรุ่นเยาวชนเด็กเด็กสมัยนี้ก็ประมาณว่าเด็กเด็กัเด็กในเด็กไทยนะปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาอยู่หน้าจอเนี่ยวันละเจ็ดชั่วโมงจอที่ว่านี่หมายถึงจอโทรทัศน์จอโทรศัพท์ แล้วก็จอคอมพิวเตอร์นะจอโทรทัศท์ก็ประมาณสมชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงนะจอโทรศัพท์ก็สองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงนะแล้วจอคอมพิวเตอร์สักสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงไอ้เจดชั่วโมงนี่ย่างต่ำนะโดยเฉลีย่ยมันก็หมายความว่ามีคนที่ใช้เวลาอยู่หน้าจอมากกว่า น, นั้นอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติแล้วละ่ะ ถ้าเราสอนลูกสอนหลานนี่ไม่ได้สอนให้มีสติด้วยนี่ก็น่าห่วงนะว่าจะลงเอยอย่างไงร่รางกายก็อ้วนเพราะว่าไขามันเยอะนะจิตใจก็เครียดเพราะว่าเล่นแต่เกมนะแล้วก็รับแต่อาหารขยะเข้าไปในจิตใจในใจก็มีแต่สารพิษอย่างงี้ก็ยากที่จะเจริญก้าวหน้าได้ก็มีแต่ความทุกข์